คุณ พ, พวกเรานะราะษะท่านมาเยอะละปฏิบัติดีวัตตาสุคโตกค่ปฏิบัตินะไม่ยากอะไรเริ่มต้นเดี๋ยวพูดรวมๆเลยนะใครไม่เคยมายกมือให้ดูหน่อยมีแค่นี้เองใช่ไหมง่ายๆหน่อยไปฝึกไหมฝึกมาแบบไหน สายจันแนบพอฝักเลยแล้วนี่ลหละไม่เคยนะนวนอ๋อม่วๆเหรอฝึกแบบม่วมๆเนาะอันนี้ลหละอ๋อฟองยุบนะไม่ใช่ยุบหนอฟองหนอเดี๋ยวอาจารย์ว่าเรียกผิดฝึกฟองยุบรู้รู้รูปนามก็ดีนะ ร, ร, ร, รู้ฟองยุบก็ดีทำไงให้สติมันเกิดไม่ว่าเบื้องต้นเราจะฝึกด้วยวิธีใด ถ้าฝึกถูกต้องสติอย่างเดียวกันก็จะเกิดขึ้นมาถึงเราจะรู้รูปของยุบถ้ารู้ถูกต้องเราก็จะรู้ทั้งรูปทั้งนามเราจะเห็นว่าไอ้ที่ฟองที่ยุบเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูใจที่ไปรู้เนี่ยอยู่ต่าหากพอทำได้ไหมอย่างนี้เคยเห็นไหมท้องที่ฟองยุบนี้รู้สึกไหมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรา เราไม่ได้ฝึกให้เบาเบออะไรนะฝึกรู้ไปเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราฝึกเพื่อเอาตรงนี้ในวิธีที่จะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้นะเราต้องเลิกคิดต้องรู้สึกเอาเพราะว่าความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดล้วนๆเลยเรียกสักยัติทิฏฐิสักยัติทิฏฐิชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นทิฏฐิเป็นความคิดความเห็นงั้นเราอยากทําลายสักยัติทิฏฐิทําลายความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรา ก็รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่างเรานั่งอยู่เนี้ยเราจะรู้เลยไอ้ที่นั่งอยู่เนี้ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปมันนั่งรูปมันนั่งแล้วมันไม่ได้นั่งเฉยๆหรอกมันนั่งก็เพิ่มเข้ า, ขากับเพิ่อมออกด้วยนะอย่าหายใจเข้าออกแล้วรูปก็แปรปรวนไปเรื่อยๆใจมันเป็นคนดูต้องแยกรูปแยกนามนะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้อย่าไปเพ่งท้องถ้าเพ่งท้องเดี๋ยววัตัวเบาๆลอย ตัวใหญ่ๆตัวหนักๆนักตัวโครงโครงนะ น, นัาอาการของสมถะทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเราสามารถรู้รูปนามได้เราเียนไอตัวที่กำลังนั่งหายใจขมแมวขมั่วอยู่เนียเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอกใจของเราเป็นคนรู้คนดูหัดแยกให้มีสองอันนะมีกายกับใจส่วนที่รู้รูปนามระวังอันนึงนะวกนักรู้รูปนามมักจะรู้ด้วยความจงใจรู้มีโลภแทรกต้องระวังนะ มันไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงนโลภะมันแทรกนะอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการเอาสติเข้าไปตั้งไว้ในรูปนามนะตัวเนี้ยเอาไปตีความมันมีคำภีอยู่อันนึ่งนะบอกสติปัฏฐานเนี่ยราสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์เราไปตีควาว่าเข้าไปตั้งเนี่ยโดยการจงใจเข้าไปตั้งไว้นะถ้าจงใจเข้าไปตั้งเนี่ยตั้งด้วยโลภะนะอีกอย่างหนึ่งเรียนอภิธรรมใช่ไม สติเกิดดับใช่ไหมเพราะสติไม่มีคําว่าตั้งอยู่หรอกสติตั้งคําว่าสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์หมายถึงสติะระลึกรู้อารมณ์มันนั่นเอง น, นะระลึรู้เสร็จแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตทีละขณะทีละขณะสติจะไม่ตั้งอยู่นานๆแต่ของเราที่ฝึกแต่รู้สึกไหมสติไปตั้งอยู่นานๆในกาย้จะไปตั้งอยู่นานมันคือการเพ่งกายต้องระวังนะ เั้นที่บอกว่าไม่ทําสมถะไม่ทําสมถะส่วนใหญ่เพ่งกายกลายเป็นสมถะต้องระวังนะเราะนั้นรูปนามกลายเป็นของสุกเพ่งไปหมดเลยเพ่งกายนั่งรอให้มันเมื่อยนะ เ, อเมื่อยแล้วจะอยากขยับและรู้ว่าอยากขยับอย่างนี้ยังพอใช้ได้นะแต่ที่แยก่ก็คือไปนั่งจ้องไว้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะพระอรหันต์คงพิการหมดแนละ้ว น, น, นานกระดิกทีหนึ่ง เคยรู้สึกอย่างตอนเนี้รู้สึกไหมลืมรูปนามแล้วเนี่ยขนาดจิตเนี้ยรู้ไหมทําไมลืมรูปนามเพราะว่ามัวแต่รู้บัญญัติมัวแต่รู้เรื่องราวที่คิดนึกออกไหมขณะที่เรารู้เรื่องราวที่คิดเราจะลืมกายลืมใจนะเพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเนีย่ยตอนเนี้คิดอีกแล้วทราบไหม ฟังอาตมาพูดน่ะฟังไปคิดไปดูออกไม้มขณะที่รู้เรื่องที่คิดจะลืมรูปนามดูออกไหมเพราะงั้นความคิดนั่นแหลเป็นศัตรูของการรู้นี่พระท่านฝึกมาสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนบอกคิดคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวศัตรูกันไม่อยู่ร่วมกันเพราะงั้นทางโยมฝึกมาทางอริธรรมจะเห็นเลยในขณะที่จิตไปรู้บัญญตัติจิตไม่รู้อารมณ์ปรมาภิษณพูดกันคนลภาษานะสภาวะเดียวกัน แต่ของเราระวังการเพ่งรูปนะที่ฝึกอย่างของคุณเนี่ยชอบไปเพ่งรูปเยอะเลยมนะีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังไม่เลิกคิดอ่ะทราบไหมพยายามคิดตามอ่ะนะสัง เ, เกตไหมตอนที่คิดนี่ลืมกายลืมใจตนเองนึกออกไหมพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจไว้อย่าลืมอย่าลืมนานลืมนานน่าเกลียดนะลืมนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรรู้สึกไหมใจตอนนี้โล่ง เนี่ยจิตใจที่โล่งที่ว่างนะจิตมีละหูตาเบารู้สึกไหมอ่อนโยนมีมุทุตาเห็นไหมคล่องแคล่วไม่ซึมไม่ทื่อมีปาคุณาสังเกตไหมจิตตรงที่เรากําหนดตะกี้กําหนดรูปอ่ะมันหนักมันแข็งมันซึมมันทื่ออากุสุรจิตนะเรียนแล้วน่ะึกออกไหมมันลักษณะของอากุสุรจิตใช่ไหมลองลองกําหนดรูปใหม่อย่างที่เคยทํา เนี่ยรู้สึกไหมมันคือการเพ่งรูปนะตัวเนี้ยที่พลาดนะไปปรับตัวนี้ซะให้รู้ทันวิธีปรับก็คือให้รู้ทันมันคือเราไม่ชอบสมถะนะแต่เราติดสมถะพอาะเพราเพ่งดูออกหรือยังออไปแก้ตัวนี้นะของคุณนี่คิดเกินไปแล้วทราบไหมสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปสังเกตไหมคิดเดยอกว่าฟังอีก เนี่ยนีไปคิดแล้วแวบแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้คอยรู้ทันนะรู้ทันพฤติกรรมของจิตไปเลยจิตไปดูรู้ว่าดูจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดถ้ารู้ทันนะกูจะตื่นขึ้นมาเลยเอาไม่ไม่ไปในไรถ้าสงสัยว่ารู้หรือยังนะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เดี๋ยวมันรู้เองแหละเวลาที่จิตมันรู้นะจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะจิตจะเบาจิตจะสบายจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยน นะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะถ้าเมื่อไรจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อนี่ลักษณะของอกุศลจิตเรียนแล้วใช่ไห ม, ไมปริเชตรแรกเลยละ ม, มั้ง อ, อ, อย่าลืมนะเรียนทำปริเชตที่เก้าอย่าลืมปริเชตที่หนึ่งนะปริเชตเก้าเรียนสมถวิปัสนาอย่าลืมปริเชตที่หนึ่งคือจิตชนิดไหน เป็นจิตที่เป็นสมถะชนิดไหนเป็นวิปัสนาชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลเพระฉั้นทำวิปัสนาไปเรื่อยเลยเกิด อ, อกุศลจิตต้องระวังแยกออกหรื อ, อยังค่อยดูไปนค่ยให้รู้ทันไปนะคอยรู้สภาวะไปเรื่อยจิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะรู้ไปเรื่อยเนี่ยตอนเนี้ตั้งใจฟังแล้วก็คิดไปเรื่อยเรืยรู้สึกไหมขณะที่ตั้งใจฟังลืมรูปลื ม, ลมนา ม, ม, นามรู้สึกไหม อย่าลืมสิเพราะฉนั้นเอออย่างเนี้ยรู้สึกอย่างเนี้ยกา ย, ยังไม่ใช่เราในทันทีเลยนะถ้าสติยังลงในกายตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยสติยังลงที่กายจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราสติยังลงที่จิตจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะเห็นซ้ำๆๆมาหนึ่งสักกายที่ถี่ขาดเลยแต่ถ้ายัางคิดอยู่นะสักกายที่ถี่ไม่ขาดแล้วการคิดนั่นแหละหล่อเลี้ยงสักกายที่ถี่ไว้ เนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมยังคิดไม่เลิกอะ่ะรู้สึกไหมเนี่ยอย่างนี้นะรู้สึกอย่างนี่แหละคือจิตที่ตื่นเล ย, ร, เ ย, ร, ยรู้สึกไหมเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวรู้สึกไหมแล้วใช้จิตชนิดนี้แหละจิตที่มีคุณภาพอย่างนี้แหละไปรู้กายรู้ใจนะการรู้กายรู้ใจก็แล้วแต่สติเขาจะระลึกรู้สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แล้วแต่เขาจะระลึกรู้ หน้าที่ของเราก็คือรู้สึกตัวไว้อย่าหลงเข้าไปอยู่ในความคิดพอเราตื่นขึ้นมาใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมานะสติะระลึกรู้กายโดยไม่ได้เจตนาร่างกายไหวสติจะรู้กายจิตเคลื่อนไหวสติจะรู้จิตเคยรู้เองเขารู้ไปนานๆ า, น, น, า น, นานไปปัญญาเกิดเห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราตอนนี้รู้บัญญัติแล้วรู้สึกไหมรู้เรื่องที่คิด รู้สึกไหมตรงเนี้ยกายไม่ใช่เราแล้ไม่ต้องนั่งคิดเลยว่านี่เป็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเัระ น, นั้นคิดทั้งหมดเลยนะอันนั้นยังใช้ไม่ได้ออะคุณนัทพลตรงกันบ้านหน่อยเฮ้ยท่านัทพลทนัทนพลเออดีละดีละททำถูกแล้วใช้ได้ละป้าบุญรักเป็นไงไม่เปลี่นอะไร มีแต่ทุกข์เหรอโอ้ถุกแล้วนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป <S <S มีแต่ทุกข์น่ะถูกแล้วถ้าทุกข์บ้างสุขบ้างน่ะของปลอมถ้าสุขล้วนๆน่ะคนหลงชีวิตมันจะสุขอะไรนักหนาชีวิตมันทุกข์นี่เราเที่ยวหาความสุขนะดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์อ่ะถ้าหยุดดิ้นนะรู้ทันรู้ทันหยุดดิ้นใจที่มันหยุดการดิ้นรนหยุดการแส่สายมันจะมีความสุข โจยีโจยีเป็นไง ด, <c oughs> ดีแล้วนะใจมีแรงขึ้นแล้วดีแล้วอ้าวหยงโยมเป็นไงที่นั่งติดแกะโจยี่ อ, อย่ารู้สึกผิดนะให้รู้ทันว่ารู้สึกผิด รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปกลัวมันมีสติแล้วมีบุญนะมีสติแล้วไม่เป็นบาปหรอกเราแค่ว่าเราตั้งใจไวจ้แล้วทําให้สําเร็จเราก็สวดให้น้อยๆหน่อยวันไหนไม่ว่างนะก็สวดสั้นๆถ้าสั้นที่สุดเลยแค่พุโทโธธโมสังโฆนะถ้าพุโทโธธโมสังโฆยังไม่มีเวลาอีกอนะ่ะแย่เลยคราวนีนะ้มันก็เกิดไปน่ะ อไม่ใช่หน้าที่สวดมนต์หลับตอนนะั้นหน้าที่คอยดูอย่าไปชนกับใครถ้ารถมันติดใจหงุดหงิดพอใจมันหงุดหงิดแล้วแล้วแต่เราจะทําละถ้าทำํำวิปัสสนารู้ว่าความหงุดหงิดเกิดขึ้นเพราะนั้นสมถนะสมถะก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยไม่บาปไม่บาปมันจะบาปได้ยังไงทําสมถะงั้นเวลารถติดนะเรามีแนวรูปแนวรับ ถ้าเราทํามิปัสนาได้ขณะใดที่ทํามิปัสนาได้ทํทำมิปัสน า, ณาขณะไหนทำหํำมิปัสนาไม่ได้ก็ทาาําสมถะนั่วรถติดใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเห็นความหงุดหงิดเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจใจเป็นแค่คนรู้คนดูอย่างนี้ดีแล้วนทะําตรงนี้ดูไม่ออกมั่วซั่วโมโหมากแล้วนะ <c oughs> ก็นับรูกประคาพุโทโธอะไรก็ทําไปนะเว็นสมถะก็ยังดีกว่า ใ ห, ให้อากูสนครอบงำมีแนวรุกแนวรับนะอย่าเริ่มต้นด้วยสมถะอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ยอมเดินปัญญาบูชาว่าไงบูชาเป็นไงไม่ถามสุขภาพนะครับการปฏิบัติอย่าจงใจก็แล้วกันของบูชาอย่างจงใจถ้าจงใจแล้วมันยางแข็งๆนิดนะึง อุชาแค่รู้ทันไปการปฏิบัติอย่าเริ่มต้นด้วยความจงใจนะแค่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกเล่นๆไปด้วยแล้ววันหนึ่งสติจะเกิดเองนะมันจะเกิดขึ้นเองเลยเช่นพอความโกรธเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองเลยนะมันรู้เองหรือใจลอยไปพอใจลอยแว บ, บเนี่ยสติจะรู้ขึ้นมาเองนะหรือคนไหนเคยเราขยับร่างกายนะอย่างสายทางหลวงพระเยนท่านขยับ ขยับมือเนี่ยถ้าขยับเป็นนะขยับไปรู้สึกตัวไปถ้าขยับไม่เป็นก็จะเปรี้งมือหรือไปคิดเรื่องมือว่าท่านนี้แล้วต่อท่านนี้นี่ถ้าขยับถูกต้องนะขยับไปแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกไปต่อมาพอเผลอนะพอเผลอสมมติเห็นเพื่อนเดินอยู่ทางโน้นก้าวขาจะไปคุยกับเขาเนี่ยแค่ขาเคลื่อนไหวเนี่ยร่างกายไหวแป๊บสติเกิดเลยเพนะราะสติมันเคย เ, คยเกิดละร่างกายเคลื่อนไหวแล้วมันเคยรู้สึก แล้วมันต้องเคยถ้าพี่ทำเลยสอนนะสติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิด น, นะเรียนนะนะปริเสตที่สองอ้นะหาเงเรียนหนึ่งอเองเหรอเอ้าเลยรอดไปนะสติอ่นะเป็นเจตสิกนะสติมีการจำสภาวะทำได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นสตินี่ถ้าเราถ้าจิตเราจำสภาวะได้นะสติจะเกิดเอง ถ้าจิตจําสภาวะไม่ได้จ้างให้สติก็ไม่เกิดนะจะไปนั่งเขาโต๊ะพกพกพกหวังให้สติกเกิดมันก็ไม่เกิดหรอกนะมันไม่ได้เกิดเพราะการบังคับแต่มันเกิดเพราะการที่จิตมันจําสภาวะได้งั้นหน้าที่ของเราหัดรู้กายหัดรู้ใจเนืองเนืองเพื่อเราจะได้รู้จักสภาวะที่เราทําสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อให้รู้จักสภาวะนั่นเองเช่นเรารู้จักสภาวะของรูปอไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวเราเลยนะ เป็นรูปเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะหรือรู้การเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งการเลี้ยวซ้ายแลกขวาการยกการคูการเหยียดอะไรเงี้ย <Yes. S 1> หัดรู้ไปเรื่อยเห็นรูปมันเคลื่อนไหวรูปมันคูรูปมันเหยียดไปเรื mm ่อ hmm. ยจนกระทั่งจิตมันจําสภาวะของรูปได้ mm hmm. รูปที่หยุดนิ่งรูปที่เคลื่อนไหวจิตจําได้พอจิตจําได้ต่อมาพอเราเผลอเกิดขยับตัวขึ้นมาเนี้ยสติจะเกิดเองโดยไม่ได้เจตนาเลย <Yes. S 1> หรือถ้าใครหัดดูจิตใจ จิตเผลอไปก็รู้เผลอไปคิดและรู้ทันเผลอไปดูรู้ทันเผลอไปฟังรู้ทันจิตโลภโกรธหลงรู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อมาพอใจเราเผลอไปมันหลงไปแล้วพะใจมันเผลอแล้วสติจะรู้ทันขึ้นมาเองอ้อเผลอไปแล้วพอมันโกรธขึ้นมาสติจะรู้ทันเองอ้อโกรธขึ้นมาแล้วมันรู้เองและสติไม่ได้เก like, Bl be ิดจากการแกล้งทํำสติเกิดจากการที่จิตจํำสภาวะได้ หน้าที่เราก็คือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆรู้เพิ่มไปวันละอย่างสองอย่างใหม่ๆก็จะรู้แต่สภาวะหยาบๆเช่นต้องโกรธก่อนโกรธถึงจะรู้ต่อไปก็ละเอียดขึ้นขัดใจเล็กๆน้อยๆเสียใจนิดหน่อยอะไรย่างนี้ก็เห็นแล้วสติก็จะเกิดอกุศลจะดับทันทีที่สติเกิดถ้ายังเสียใจไปแล้วนั่งดูไปนี่แสดงว่าสติตัวจริงยังไม่เกิดยังจงใจไปดูอยู่โลภะแทรกอยู่ แล้วไปดูแล้วก็อยากให้หายเศร้าใจนี่โทรสะแท้อีกตัวหนึ่งั้นให้รู้ลงปัจจุบันไปรู้ไปเรื่อยๆอ้าวอาจารย์ฟูส่งกันบ้านมากบใครวันนี้อ้าใไหนสมพงศ์อ๋อนี่อ้ส่งกันเอ้าเดี๋ยวไม่ได้ส่งกันบ้านหน่อยคู่นี้อาจารย์ฟูก่อนมีอะไรนะ มันธรรมดานะการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละบางช่วงมันรู้ตัวได้ทียิบเลยเหมือนมรรคผลจะเกิดต่อหน้าต่อตาละบางช่วงก็หายไปเลยไม่รู้ปฏิบัติยังไงเป็นทุกคนแหละเป็นทุกขั้นด้วยแต่ว่าความจิตใจเจริญล้วก็รู้เอาจิตใจมันเสื่อมรู้ว่าเสื่อมอย่าไปเสียใจนะเวลาจิตเสื่อมอย่าเสียใจถ้าเสียใจล้วก็เสื่อมไม่หายเลยเพราะเสียใจมันเป็นกิเลสไม่ใช่เป็นกุศล นั้นจิตเสื่อมหรือว่าเสื่อมก็ช่างมันมันเสื่อมได้มันเจริญได้ก็เสื่อมได้ดูไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็เจริญขึ้นมาใหม่ไม่ฝึกบังคับจิตบังคับใจตัวเองฝึกรู้เหมือนดูคนใจคนอื่นเหมือนเราดูคนอื่นเหมือนดูคนอื่นโลภเหมือนดูคนอื่นโกรธเหมือนดูคนอื่นหลงนะเราเป็นแค่คนดูไม่มีส่วนได้เสียรับสบายถ้าดูแบบมีส่วนได้เสียไม่สบายจะคอยเข้าไปแทรกแซง โอ้มันธรรมตาจิตย่อมถูกอสวะห่อหุ้มไว้แล้วทำไงอ่ะสมพงถูกมันห่อพุ่ ม, มเห็นว่าจิตถูกห่อหุ้มไว้อย่าไปอยากให้หายนะไม่รู้ไปด้วยความเป็นกลางสิ่งที่จะตัดความห่อหุ่มได้นี่มีแต่มรรคเท่านะั้นมรรคที่หนึ่งสองสามตัดให้มันแหวกออกไปแล้วมันจะกลับมาปิดใหม่คล้ายๆสระน้ามันหนึ่ง มีแหนเล็กๆลอยเต็มอยู่เอาหินทุ่มโครมลงไปอย่แหวกออกช่วขนาดนะแล้วก็มาปิดใหม่ทุ่มอีกทีหนึ่งก็แหวกอีกทีหนึ่งทุ่มครั้งที่สีนี้แรงเยอะทุ่มเปรี้ยงเลยพวกนี้กระเด็นขึ้นบกไปหมดเลยเมื่อไม่เข้ามาคลุมอีกเพราะงั้นเห็นถูกต้องแล้วว่ามันมีสิ่งห่อทุ่มแต่ใจต้องเป็นกลางกับมันนะเพราะงั้นหลักของการปฏิบัติเนี่ยรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็น มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ไปตามที่มันเป็นโดยที่ไม่ได้เจตนาเมื่อรู้แล้วไม่ทำอะไรรู้แล้วจบลงแค่รู้ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะละไม่ดิ้นรนเพื่อรักษานะการดิ้นรนเพื่อจะละเพื่อรักษาเนี่ยหลงคนกิเลสรั้งใหม่ละนั่นรู้ลงปัจจุบันทีลักษณะทีลักษณะไปลนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบั น, นทีลักษณะทีลักษณะความทุกข์จะตั้งขึ้นในใจเราไม่ได้นะความทุกข์จะตั้งได้เนี่ย ต้องหลงยาวๆหน่อยถึงจะทุกข์รู้สึกตัวทีลักษณะทีลักษณะความทุกข์ตั้งไม่ได้นะรู้สึกลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าจงใจรู้สึกก็แล้วกันนะรู้สึกเล่นๆต้องทําเล่นๆนะทําจริงจังไม่ได้ทําจริงจังเครียดทําจริงจังกลายเป็นแกล้งทาทําด้วยโลภแล้วไงสมพงษ์อะไรนะ เคลื่อนไหวนะกระดุกกระดิกไหมสังเกตไหมเราปิดตรึงความรู้สึกไว้นั่นแหละทําให้ติดอยู่แค่เราจงใจปิดตรึงความรู้สึกนิดเดียวนะทีก็ค า, าอยู่กับที่ละไม่เคลื่อนไหวลวนะะมองให้ออกว่าเราจงใจปิดตรึกไว้นะพอคิดถึงการปฏิบัติก็จงใจไปตรึงความรู้สึกตัวนี้เป็นปัญหานะนักปฏิบัติจะพลาดสองอัน เผลอไปใจลอยไปนี่อันหนึ่งที่สองกลัวจะเผลอกลัวจะใจลอยกลัวไม่ได้ปฏิบัติก็ปิดตรึงความรู้สึกไว้นะอย่าไปทำสองอันนี้อันหนึ่งเรื่องการสุขคลิการนุโยกไหลาตามกิเลสอันหนึ่งเรื่องอัตาตาคิรมาฐานุโยกบังคับตัวเองฉะนั้นะสมโพงไปบังคับตอนนี้บังคับน้อยลงรู้สึกไหมบังคับน้อยลงจิตก็สว่างมากขึ้นนะเอาโยโยเยโยเ ย, ย, ยว่าง่า ก็ธกราามออธรมดานะตัวไหนเคยรู้เคยเห็นแล้วมันก็รู้ง่ายตัวใหม่ๆก็รู้ยากแล้วกิเลสนะละเอียดบางตัวหน้าตาเหมือนกุศลเลยพอละเอียดมากๆเหมือนกุศลอย่างหลวงพ่อเมื่อปีสี่สามเคยเห็นหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตมาจากอเมริกาไปกราบท่านที่สวนทิพที่ประ ที่ปักเล็งโอ้จิตของท่านทำไมผ่องใสจิตของท่านไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรหน้าเรื่อมใสทำไงเราจะได้อย่างท่านเนอะ<ช>ไหมเอาเขาละ <c oughs> <c oughs> มีท่านมีเราเขาละพอ <c oughs> รู้ทันโอ้นี่มันมานะนะก <c oughs> ิเลสละเอียดนะหน้าตาเหมือนกุศล <c oughs> หรือมหัศภาวนานะภาวนาไปเรื่อยเรืยเรืยทุกวันนะ ตื่นเช้าขึ้นมาจะเห็นเลยเพอตื่นเช้าปุ๊บนะจะมีมือลึกลับอันหนึง่งยื่นออกไปหยิบออกจิตมาคอยดูไว้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือเจริญปัญญาที่จริงคืออุทธัจจะสังโยชน์จิตมันฟุ้งซ่านนะเะฉนั้นกิเลสที่ละเอียดหน้าตาเหมือนกูสนเลยนะดูอย่างความถือตัวของเราเนี่ยมองอีกทีหนึ่งเหมือนกับแหมโคลบคูบาจาย์ความจริงอยากได้อย่างท่านน่ะ เราทําไมมันกระจอกไม่ได้อย่างข่านวะ <_ C 1> <_ EN> นี่มันมานะนะเพระฉะนั้นกิเลสพละเอียดเข้านี่โอ้โดูยากจิตใจที่สว่างแกมใสนะฟองใสจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะ่ะยังมีอวิชาซ่อนอยู่อีกยังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่ยังยึดอยังยึดว่าจิตเป็นเราไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เหมือนไม่ปล่อยวางจิตแม้กระทั่งจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเต็มที่แล้วนะ ยงเป็นอวิชาเลยยังมีอวิชาแทรกเพราะฉนั้นหัดใหม่ๆเราก็รู้กิเลสหยาบนะเช่นโทสะเกิดขึ้นแรงๆก็รู้ราคะแรงๆก็รู้อะไรเงี้ยแต่ใจลอยไม่ค่อยรู้รู้สึกไหมถ้าใจลอยเป็นโมหะดูยากเนะี่ยจงใจประพองแล้วรู้สึกไหมจงใจปฏิบัตินะ่ะจงใจปฏิบัติก็มีโลภะแทรกเห็นไหมกิเลแสแทรกที่ยิเลยนะหน้าที่ของเราคอยหัดรู้ไปด้วยรู้สภาวะไป จนวันหนึ่งใจนี่ปลอดจากกิเลสจริงๆนุ่มนั้นนะส่งกับบ้านเออซึมไม่ดีนะซึมเป็นชื่อของส้วมอย่าทำรู้สึกไว้กับพรี้กับเป่าไว้นะคึกครักคึกคักอย่าให้ซึมนะแล้วไงอีกอ้าตอบสูกอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ดี ซึมไม่ดีเลยนะซึมเป็นโมหะเมื่อเช้าใครมาถามหลวงพ่อคนนะที่บอกว่าปล่อยใจให้ซึมซึมเลื่อนลอยไปเรื่อยเรื่อยมันจะเป็นภูมิของโมหะนะไม่ดีจะไปเป็นสัตว์นะปล่อยใจซึมซึมก็ไม่ดีกับที่กับเปล่ารู้เนื้อรู้ตัวไปใจลอยไปแล้วทราบไหมอย่างหัดอย่างนี้นะรู้ไปหนีไปอีกแล้วรู้ไหมให้รู้ทันนะ เอาคุณกวีพรสงกันบ้านเรือนที่ผ่านมา น, นี่เหมือนไปพัฒนาเยหรอแลรอทาไมล่ะไม่ได้รัดพัฒนาทำไมล่ ะ, เอ า, าละเอาอะไรเป็นเครื่องวัดแ ล, วแล้วพอใจไม่พอใจล่ะรู้สึกแล้เวลเฉยๆจิตปกติเป็นอย่างตอนนี้ไหมตอนนี้ทื่อๆรู้สึกไหม ตอนอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมคุณกบีพรเป็นเป็นแบบนี้เหรออันเนี้ยมันเกิดจากการไปบังคับตัวเองไวนะ้ปล่อยทิ้งซะนะอย่าไปคิดเรื่องปฏิบัติคิดแค่ว่าถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ให้ไวหน่อยนะแล้วสติมันจะเกิดทียิบขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราอยากให้สติเกิดนะขณะนั้นอกุศลกาลังเกิดอยู่สติจะไม่เกิดเลย สติไม่ได้เกิดจากอยากให้เกิดเพราะอยากให้สติเกิดนี่เป็นโลภะตราบใดที่กิเลสยังครองใจอยู่สติจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดไปรู้ทันว่ากำลังมีโลภะอยูนะ่สติจะเกิดเลยใจก็จะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเลยใจจะตั้งมั่นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเองสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่เกิดจากบังคับไว สมมาสมาธิใจมันตื่นใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจมันตั้งมั่นไม่หลงสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงในสุดเกิดปัญญาเรียนหรือยางสัมมาสมาธิปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเรียนอยัง ใจลอยแล้วรู้ไหมใจมันหลงมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วรู้หรือเปล่าลืมเนื้อลืมตัวไปรู้สึกนะรู้สึกไปออาคุณ ท, ทัตไทจิปเป็นไงส่งกันบ้านหน่อยอ๋อเดี๋ยวมีครับผู้ใหญ่ท่านมาท่านอาจารย์วิวัตรวัดสมนี้ท่านยี่สิบกว่าพรรษา เดี๋ยวผมขอโอกาสพูดแกลยมนิดนึงครับอ่าพูดแกล้งนิดหนึงมยอมเตรียมกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> เอาใครจะถามอะไรเดีวนะมีเวลาสักห้านาทีอัญเชิญโอลิฟถ้าถ้าจิตต้อรู้จุดว่าสนุกอย่างเช่นดูหนังทำเกมเนี่ยมันรู้แต่ว่ามันไม่ได้สว่างดูหรือไม่ได้แบบมันมันสนุกนะก็รู้ไป มันอยากดู ต, ต่อนั่นแหละมันทําให้ไม่สว่างโปร่งเพราะกิเลสยังอยู่เพราะฉนั้นอารมณ์เนี่ยความสุขเนี่ยมีสองอันนะความสุขอันนึงมีอามิตรมีเหยื่อล่อความสุขอันนึงไม่มีอามิตรไม่มีอะไรล่อมันมีความสุขเองความสุขอย่างได้ดูหนังได้ฟังเพลงแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขอย่างโลกโลกมีเหยื่อล่อแต่ถ้าเมื่อไหร่สติของเราเกิดนะเราจะมีความสุขอัตโนมัติ จิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจะมีโสมนัสเวทนานี่ความสุขขึ้นมาสุขด้วยตัวเองเนี่ยค่อยๆหัดไปแล้วอย่างที่หลวงปู่แพเขาบอกว่าถ้ามีสติรู้แล้วมันจะเหมือนกับหายใจแล้วกลั้นไว้เงียบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั้นเป็นอุบายอุบายเป็นแท็ติกแทคกติกที่ว่าจะทํำยังไงจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะของคนเราเนี่ยใจชอบหนีไปเรื่อยๆหนีไปทั้งวันนะ ท่านบอกว่าลองกลั้นใจนิดหนึ่งสินี่ต้องกลั้นใจแล้วจับตรงความรู้สึกนิ่งๆไว้เนี่ยในสุดเราจะจับเอาอความรู้สึกนิ่งนี้ได้เป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาแต่นิ่งๆเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่กับโลกแล้วอันเนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวนะเอดคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่นิ่งๆอยู่หายใจเข้าหายใจออกจิตก็เป็นคนรู้ที่นิ่งๆอยู่มันจะมีคนเป็นผู้รู้ขึ้นมา คือจะให้ใจตั้งมั่นขึ้นมานะอย่างสติเป็นตัวระลึกนะนั้นเป็นทําใจให้มีสมาธิขึ้นมาก่อนนะคือทางเดินมี้สองสายสายหนึ่งใช้สมาธินําปัญญาสายหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธินะนี้ถ้าใช้สมาธินําปัญญาเต็มรูปแบบเพื่อทําฌานเหนือทัง้งจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งนะถอยออกมาจากสมาธิแล้วเนี่จเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจะเห็นทันทีนะหรือเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนากับจิตนี่คนละอันแยกขาดจากกันเลยเพราะฉะนั้นการรู้กายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนทาําฌานนี่บางคนทําฌานไม่ได้หลวงปูเทศก็ออ ก, อ, อ, ก, อ, อ, กอูบายให้ลองกลั้นใจแล้วจับตรงความรู้สึกนิ่งๆอ่ตรงนั้นมันมีความรู้สึกที่นิ่งๆนะพอใจมันนิ่งๆขึ้นมาต่อไปมันมาดูกายไนอะตัวที่รู้อย่างนิ่งๆก็ยังอยู่นี่มันแยกออกมานี่เป็นอูบาย ของคนที่เดินในแนวทางสมถะญาณิกสําสหรับการรู้กายและใจให้รู้กายและเวทนานะแต่การรู้จิตและธรรมเนี่ยไม่ต้องทําอย่างนั้นรู้จิตและธรรมเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกพวกรู้เข้าไปเลยแล้วพวกทาฌานไม่เป็นทําไมการดูจิตไม่ต้องไปทําฌานก่อนรู้ไหมถ้าทําฌานก่อนจะไม่มีจิตบางอย่างให้ดูเช่นจิตฟุ้งซ่านนะเพราะพระเจ้าบอกจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตมีราคาให้รัว่วมีราคาจิตมีโทสะให้รัว่วมีโทสะถ้าเราไปทําฌานก่อนจะไม่มีจิตพวกนี้ให้ดูเลยนะเพราะฉะนั้นการดูจิต เ, เลยไม่ต้องทําฌานก่อนเดี๋ยวสมาธิจะเกิดทีหลังนะทันทีที่เช่นจิตเราเผลอไปจิตใจเราลอยไปเนี่ยจิตมีโมหะทันทีที่รู้ว่าจิตมีโมหะจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะจะเกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิใจก็จะตั้งมั่นขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับ กลายเป็นจิตที่เผลอไปทําอย่างอื่นอีกละก็รู้ใหม่ก็รู้สึกขึ้นอีกแว บ, บหนึ่งในที่สุดก็จะมีแต่จิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกแล้วก็เผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้สึกมีอยู่แค่นี้เองการที่เราเรียนจิตแค่สองตัวนะจิตที่เผลอกับรู้สึกเผลอกับรู้สึกเนี่ยเรียก ว, ว่าจิตในจิตเป็นการเรียนจิตส่วนน้อยเพื่อจะเข้าใจจิตส่วนใหญ่กายในกายก็เหมือนการเรียนกายส่วนน้อยเพื่อจะรู้รูปทั้งหมด อย่างเรารู้รูปยืนเดินนั่งนอนคือวิญญาติรูปอันเดียวถ้ารู้วิญญาติรูปอันเดียวก็จะรู้รูป28รูปในการดูจิตเหมือนกันจิตของเรามี81ดดวงนะที่เราเป็นปุถุชนมี81ดบเอดวงเราไม่ต้องเรียน81อดยุ่งเรียนสองอันต่อจิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกจิตที่เผลอไปกับรู้สึกจิตที่เผลอเนี่ยเป็นตัวแทนจิตอกฤฤฤฤฤฤุศลจิตที่รู้สึกเนี่ยเป็นตัวแทนจิตใสกุศล แล้วเราจะเห็นนะเกิดปัญญาจิตที่เผลอไปเกิดแล้วก็ดับห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะจิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้สติต้องเกิดเองต้องรู้สึกเองนะพอรู้สึกขึ้นมาแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เพราะรู้สึกได้แวบเดียวมันก็จะหลงพลังใหม่แล้ะในที่สุดก็จะเห็นเลยทั้งกุศลทั้งอ ก, กุศลเนี่ยนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยบังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเนะรู้แค่นี้เองก็พอแล้วนะจะเข้าใจจิตทุกชนิดเลย หรืออย่างท่านสอนจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะอันนี้ท่านแยกจิต81ดวงนี่แหละออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีราคากลุ่มหนึ่งไม่มีราคาถ้าเข้าใจจิตที่มีราคากับจิตไม่มีราคาก็คือเข้าใจจิตทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตในจิตเรียนส่วนน้อยแล้วรู้ส่วนใหญ่เหมือนกับการที่ทําวิจัยเดี๋ยวเนี้จะทําแจกเวชนาเราไม่แจกคนทั้งล้านคนผมจะวิจัย ทัศนคติคนหนึ่งล้านคนไม่แจกไม่ใช่หน่ล้านใบเราแจกบางคนเท่านั้นเสร็จแล GOD, ้วความเห็นของบางคนเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจความเห็นของคนทั้งหมดได้กายในกายก็คือรู้กายบางอย่างแล้วเข้าใจกายทั้งหมดเข้าใจจิตได้ด้วยเพทนาในเวทนารู้เวทนาบางอย่างแล้วเข้าใจเวทนาทั้งหมดแล้วก็เข้าใจกายเข้าใจจิตด้วยรู้จิตในจิตก็คือรู้จิตบางอย่างเช่นจิตเผลอจิตรู้จิตเผลอจิตรู้ จะเข้าใจจิตทั้งหมดแล้วจะรู้กายด้วยเพราะอะไรพับกายกับจิตมันเหมือนเหรียญนันเดียวกันมันเนื่องด้วยกันเราหยิบเอาด้านนี้ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็จะติดขึ้นมาด้วยเพราะนั้นทันทีที่รู้สึกตัวนะมันจะรู้กายบ้างรู้จิตบ้างงั้นหันรู้สึกไปนะรู้สึกไปรู้สึกเท่าที่รู้ได้อย่าอยากรู้ให้เยอะๆอยากรู้ให้เยอะๆไม่ได้ทําให้รู้มากขึ้นนะอยากรู้มันกิเลสแล้วก็ให้รู้ทันไม่อยากรู้หมดอย่าง ถ้าเกิด แ, แ, แ, แบบว่ารถติดอะารเนี่ยแล้วเราไม่อยากเหม่อที่ลงมาน้าครับรู้ลงในใจเข้าออกได้นนอ่านั่นก็ทำสมถะอ่ก็ใช้ได้หรือดีวิเศษกว่านั้นอีกรถติดใจมันหงุดหงิดนะรู้ว่ามันหงุดหงิดเห็นว่าใจที่หงุดหงิดนี่เป็นของห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามันไม่ห ง, งุดหงิดแต่เราไม่รู้จะทำอะไระไไหนะราไม่ได้หงุดหงิดแล้วเออหายใจไปก็ยังดีกว่าเหมอ อย่าหยุดหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะพี่ไหวแป๊บหนึ่งทงนี้เขายกก่อนอนก น, <c oughs> นั่นแหละไปประคองไว้ <c oughs> มันเกิดจากการจงใจปฏิบัตินะให้รู้ทันว่าจงใจปฏิบัติมันจะคลายออกอ่ามันจะ a ิ e r t ขึ้นมา ตอนนี้มันนอนแบบนอนแบบนักเลงนะนอนแบบซร้อมจะหาเรื่องรู้สึกไหมมันไม่ได้นอนแบบสบายใจอมันนอนแบบพญานาคนอนอยู่รอตัวอะไรเข้ามาใกล้จะฉกมั น, นก็เราก็คอยรู้นะใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นไม่ต้องไปแก้มันให้รู้ตามความเป็นจริงรู้เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยมันทํางานของมันได้เองสารพัดเลยอ้าพี่วัยเชิญ อ่าอ่าก็รู้เฉยเฉนะแล้วกิเลสอะไรเกิดก็คอยรู้เอาอย่าไปดั้งนั่งเฝ้าไว้อย่าไปดักจ้องไว้มันเล็กๆจิตมันเล็กๆนะ่ะถูกแล้วจิตมีจุดมีดวงนะอ้ามันอยู่ในที่เล็กมันถูกห่อหุ้มอยู่นะจำหลวงพ่อขืนได้ไหมหลวงพ่อืนบอกจิตมันอยู่ในหยกระเทียมนะ จริงๆก็คือจิตนี้ถูกอาสวะห่อหุ้มไปเหมือนมีเปลือกไขจ่จิตเหมือนลูกไก่ลูกเย็บอยู่ในไข่มีสิ่งห่อหุ้มคือมีเปลือกเมื่อปี26จะมาไปกราบหลวงพูดูลไปกับจิ๊บเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยที่ไปหาท่านท่านท่านสอนจนพอปเลยนะเสร็จแล้วก็บอกท่านว่าพอแล้วท่านเหนื่อยแล้วเราจะกลับท่านบอกอย่าเพิ่งกลับจําไว้นะ พบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอันสอนอย่างนี้จำไว้นะอย่างนี้ออกจำไว้จำไว้พอรุ่งเช้านะไปโคราชเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธก็คลานเข้าไปผ่านประตูท่านก็ปักมือเรียกง่ายนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนว่าพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ หลวงพ่อพุธก็บอกว่าเนี่ยมันยอดของกรรมฐานแล้ะเมื่อสองสาวันก่อนหน้าเนี้ยท่านก็ไปหาหลวงปู่ดูลุงปู่ดูลก็สอนท่านอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจะมามาทํากติกากันไว้ใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกวิธีกันนะเสร็จแล้วจนปีสี่สามท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์ไม่เจอท่านนานเลยเพราะท่านไปซ่อนๆอยู่ทันหลังท่านไม่ค่อยสบายท่านมาเทศพอท่านเทศจบก็คลานเข้าไปหาท่านไปกราบท่าน หลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อตั้งนานแล้วบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านบอกท่านยิ้มหวานเลยนะพูดอย่างห้าวหาญมากฟังจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เนี่ยเมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทําลายออกมาเองส่วนในพระตจปิดกเนี่ยท่านใช้คํำนี้บอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่น หน้าที่ของเราก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆนะพอรู้กายรู้ใจเราแจ่มแจ้งแล้ววันหนึ่งเนี่ยจิตนี้เติบโตเต็มที่แล้วมีปัญญาแก่กล้าเนี่ยจะทําลายอาสวะออกมาเองมันจะหลุดออกจากเปลือกคุ่มนี้เองเพราะฉะนั้นเปลือกพุ่มมันเนี่ยพี่วัยทำยังไงก็ไม่แตกหรอกอไม่มีวันแตกเลยอ่ามันเล็กๆนะในพระไตรปิฎกเคยพูดถึงจิตพระอร ห, รหันต์ไว้บอ ก, กจิตพระอรหันต์นี่นะกว้างขวาง ใหญ่ไม่มีประมาณนะเขาเรียกว่าอะไรนะอนุตตะร์อนุสระจิตนะหรือเรียกมหาขัตจิตนยะจิตใหญ่เพราะฉะนั้นจิตของเราจะเป็นดวงดวงเป็นจุดจุดนะอาจารย์มหาบัวชาอบบอกว่ามีจุดมีดวงมีต่อมนะถ้ายังมีจุดมีดวงมีต่อมอยู่ยังไม่ใช่ของจริงหรอกอยังไม่หมดนะต้องทําลายจนหมด หมดจุดหมดดวงนี่นะมันใหญ่เต็มโลกกระทาดไม่มีอะไรห่อพุ่มไม่มีอะไรปกคลุมเนะี่ยความพ้นทุกข์ของเราจริงๆอยู่ตรงนี้เลยนะใจไม่ไปเกาะเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่อนะ่ะจิตนาอาศัยอยู่ในกายแต่จิตมีเปลือกพุ่มนะอาสวะมันห่อพุ่มไนะว้แล้วอาสวะเนี่ยมันคล้ายๆเคยเห็นไม้กระดานถ้าบ้านไม้กระดานแต่ก่อนเนี่ยอย่างเราทําน้ 6, นะําหกน้ําไหลเป็นทางไว้ เราเช็ดนะเช็ดให้แห้งเลยแล้วทําน้ำโหกอีกนะั้นมันจะไหลไปทางเก่าอย่างรวดเร็วเลยคล้ายๆมันมีความชื้นที่จะเหนี่ยวนํามันไปอาสวะเนี่ยเป็นตัวที่เหนี่ยวนําทําให้อนุสัยกิเลสเนี่ยขึ้นมาครอบคลุมจิตไดนะ้เพราะฉะนั้นเป็นกิเลสที่คอยย้อมจิตไว้ทําให้กิเลสอื่นๆนี้ย้อมจิตติดนะแต่ถ้าเมาื่อไหรอาสวะถูกทาลายไปได้นะกิเลสไม่มีทางขึ้นมาย้อมจิตอีกแล้ว วันนี้พอสมควรนะโยมทั้งหลายขอเวลาให้พระหน่อยใครจะถวายอะไรหลวงพ่อก็ฝากฝากเขาไว้นะฝากไว ห, หลวงพ่อขอเวลาหน่อยที่เป็นงานสงสัยอะไรไหม